วันนี้เป็นวันพระเป็นวันเข้าวัดเพื่อฟังเทศฟังธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานรักษาศรรีลนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีความสำคัญเท่ากับจิตใจของพวกเราทุกคนเพราะจิตใจของพวกเราเป็นผู้ที่ให้ความสุขและให้ความทุกข์กับพวกเราได้มากที่สุด ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้และเป็นความสุขและความทุกข์ที่ยาวนานกว่าความสุขความทุกข์ที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าจึงส่งให้ความสำคัญต่อวันพระเป็นอย่างมาก ทรงกำหนดวันพระขึ้นมาในสมัยพุทธกาลให้ตรงกับวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมพราถ้าไม่ตรงกับวันหยุดทำงานญาติโยมก็จะไม่สามารถมาวัดมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้สมัยพุทธกาลวันพระนี้ เป็นวันหยุดทำงานแต่สมัยปัจจุบันนี้เวลาเปลี่ยนไปเหตุการณ์เปลี่ยนไปวันพระไม่ตรงกับวันหยุดทำงานหยุดบ้างนอนๆครั้งหนึ่งพอวันหยุดทำงานได้ถูกเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจากวันพระ มาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งันนานวันพระก็จะมาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์กันสักครั้งหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นการเข้าวัดของชาวพุทธเราเลยมีน้อยลงไปการฟังเทศน์ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมมีน้อยลงไป ความทุกข์ทางใจเลยมีเพิ่มมากขึ้นความวุ่นวายต่างๆในสังคมก็มีเพิ่มมากขึ้นเพราสาเหตุจากการมีความทุกข์ใจมากขึ้นนั่นเองเมื่อมีความทุกข์ใจมากขึ้นก็จะระบายความทุกข์ใจ ออกมาทางการกระทาทางกายทางวาจาทาให้สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้ต่อผู้อื่นนี่คือผลกระทบที่เกิดจากการที่ไม่ได้เข้าวัดกันอย่างสม่าเสมอนานๆถึงจะเข้ากันสักครั้งหนึ่ง แล้บางทีเข้าก็เข้าไม่ถึงวัดอ๋อไม่รู้ว่าวัดอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ชาวพุทธเราทุกวันนี้หลงทางกันเวลาเข้าวัดเข้าไม่ถึงวัดอาอคิดว่าวัดอยู่ที่พระประธานในโบสถ์ก็จะมุ่งไปกราบพระประธานในโบสถ์แล้วก็ บริจาคเงินทองไว้ในตู้หรือบางท่านก็อาจจะนิมนต์พระสงฆง์เจ้ามารับจัตุปัจจัยเครื่องใช้ไม่สอยที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระภิกษุสมามเณรนี่ไม่ได้เป็นการเข้าวัดอย่างที่พระพุทธเจ้า ทรงปรารถนาให้ชาวพุทธเราเข้าวัดกันเพราะว่าเข้าไม่ถึงวัดเพราะตัววัดที่แท้จริงก็คือพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองอเข้าวัดควรจะเข้าวัดเพื่อฟังเทศฟังธรรมศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าวิธี ปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจที่จะทำให้เกิดความสุขที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปนั้นทำอย่างไรนั่นเองถ้าไม่ได้ศึกษาจะไม่รู้วิธีที่จะสร้างความสุขให้กับใจระ ง, งับหรือดับความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจให้หายไปให้หมดไปถ้าไปเพียงแต่กราบพระถวายของให้กับพระสง์สมณีนไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้ไปถึงวัดนั้นเองไม่ได้รับธรรมะคำสั่งคำสอน ไปศึกษาไปปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนความทุกข์ก็จะมีมากขึ้นความสุขใจก็จะมีน้อยลงไปนี่แหละทำไมสังคมเราทุกวันนี้จึงเสื่อมลงเสื่อมลง ไปเรื่อยๆพราะขาดธรรมะคาสั่งคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้ามีคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้กํากับควบคุมใจใจจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองใจจะเป็นใจที่ดีเป็นใจที่มีความสุข มากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปตามลำดับจนหมดไปในที่สุดการเข้าวัดจึงต้องเข้าให้ถึงวัดคือต้องไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาพระธรรมคำสอนจากแหล่งที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา แหล่งที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่จะให้ความรู้ให้ธรรมะที่แท้จริงถ้าไม่ได้ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าหรือศึกษากับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ในอดีต แล้วได้มีการจดบันทึกลงไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากพระอริยสงสาวกธรรมที่ได้จะไม่ได้เป็นธรรมที่แท้จริงธรรมที่เรียกว่าสวากขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชอบแล้วคือตรงกับความเป็นจริงทุกประการ ถ้าไปศึกษากับผู้ที่ไม่ได้เป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ความรู้ที่จะได้จะเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่จริงทำให้หลงทางได้ทำให้ปฏิบัติผิดได้ทำให้เกิดปัญหาเกิดโทษได้ จยากเข้าหาธรรมะต้องเข้าหาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จากพวกเราไปแล้วแต่พระองค์ก็ได้ทรงตัดไว้ว่าถึงแม้พระวรกายของพระองค์จะจากพวกเราไปแต่ตัวพระองค์เองนั้นยังอยู่กับพวกเราอยู่ในรูปแบบของ พระธรรมคำสอนที่ได้ทรงตัดสอนไว้ในขณะที่มีพระชนชีพอยู่และได้มีการบันทึกจดจำเอาไว้ในพระไตรปิฎกเราอย่างสามารถเข้าหาพระพุทธเจ้าเพื่อศึกษาลรําเรียนได้ถ้าเราเข้าหาพระไตรปิฎกหรือไม่ฉชนั้นเราก็ยังศึกษาลรํามเรียน พระธรรมคาสอนอันประเสริฐได้จากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกประการนี่คือแหล่งของธรรมะความรู้อันประเสริฐควร เข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นเพื่อที่จะได้ความรู้ที่ถูกต้องที่จะสอนให้พวกเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะให้เกิดความสุขและดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจนี่คือ เรื่องของวันพระวันพระนี้เป็นเรื่องเป็นวันที่สำคัญเพราะถ้าเป็นชาวพุทธแต่ไม่เข้าวัดไม่ฟังเทศฟังธรรมก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพุติตนอย่างไรให้ปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไม่รู้ก็จะไม่ได้ปฏิบัติตาม ก็จะไม่ได้รับอนิสงส์ไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธเพียงแต่เป็นพุทธในทะเบียนบ้านเพราะว่าเกิดมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธแต่ไม่ได้นับถือแบบที่ควรจะนับถือ คือนับถือแบบงมงายนับถือไม่ได้นับถือแบบมีความรู้เชื่อกันมาสอนกันมาแบบผิดผิดแล้วก็ทำกันมาแบบผิดผิดผลประโยชน์ที่เพิ่งจะได้รับจึงได้ไม่มากจึงทำให้ไม่เห็น คุณค่าอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณค่าเหนือกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้บรรลุทำขั้นต่างๆแล้วจะเห็นคุณค่าของพระธรรมของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนีออ้แล้วก็จะตั้งใจที่จะศึกษาปฏิบัติไปเรื่อยๆเพื่อยกระดับของผลที่จะได้รับให้มีมากขึ้นไปตามลำดับ จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าสู่พระนิพพานที่มีแต่บรลลุมสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์มาเจือปนเหมือนกับความสุขที่พวกเราหากันอยู่ในปัจจุบันนี้ ความสุขที่พวกเราหากันนี้มันจะมีความทุกข์ติดตัวมาด้วยได้ความสุขจากสิ่งนั้งสิ่งนี้แล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพอสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ได้มาเปลี่ยนไปหมดไปหายไปความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ ชีวิตของพวกเราจึงคุกเข้าไปกับความสุขและความทุกข์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเป็นความสุขกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะเราเชื่อกันเราถูกสอนกันบอกกันว่านี่คือวิธีหาความสุขของพวกเรา แต่หามาแล้วทำไมมันถึงไม่สุขอย่างเดียวทำไมมันมีความทุกข์ตามมาด้ว ย, ยก็เพราะว่าไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกว่ามันเป็นความสุขแบบนี้แหละมันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ติดมาด้ว ย, ยถ้าเป็นเนื้อปลาก็มีก้างติดมาด้วย <c oughs> ไม่ไปหา เนื้อปลาแบบที่ไม่มีก้างกินกันจะไม่รู้ว่าเนื้อปลาแบบไม่ก้ไม่มีก้างนั้นอยู่ที่ไหนต้องไปศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะได้รู้จักว่าความสุขแบบไม่มีความทุกข์ติดมาด้วยนี้เป็นอย่างไรและทําอย่างไรที่จะทําให้เกิดความสุขแบบไม่มีความทุกข์ นี่แหละคือทำไมเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำไมเราจึงต้องมาวัดในวันพระเพื่อเราจะได้มาเรียนรู้วิธีหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์กันถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะไม่รู้จักวิธีหาความสุข แบบไม่มีความทุกข์เราก็จะหาความสุขแบบมีความทุกข์กันแล้วเราก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจวุ่นวายใจไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกับความสุขที่เราหามาได้กันพอเราหามาได้เราก็รักก็หวง เราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่เราก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้เวลามันจะไปมันก็ไปเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนเวลามันจะหมดมันก็หมดพอมันเปลี่ยนไปหมดไปมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจกันดังนั้นเราต้องมา ศึกษาวิธีหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมาความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมานี้อยู่ข้างในใจของพวกเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างนอกใจนับตั้งแต่ร่างกายไปนี่เป็นสิ่งที่จะให้ความทุกข์กับเรา เพราะว่ามันจะต้องมีวันเปลี่ยนไปมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนั่นเองร่างกายของพวกเรามันก็จะต้องเสื่อมมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราหามากันมันก็ต้องมีวันลดน้อยถอยลงไปเพราะเรา ต้องใช้มันอยู่เรื่อยๆแล้วพอมันไม่พอใช้มันก็จะทำให้เราเดือดร้อนกันตำแหน่งต่างๆยศที่เราได้กันมันก็เป็นของชั่วคราวตั้งได้ก็ปลดได้โยกย้ายได้มีขึ้นมีลงกันทำงานไปพออายุครบ เขาก็ปลดออกเพราะว่าอายุมากแล้วไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เขาก็ต้องปลดออกยศตาแหน่งที่ได้ก็ถูกทวงคืนไปรางวีรางวัลต่างๆที่ได้จากการแข่งขันกีฬาหรือแข่งขันอะไรก็เวลาที่มีความสามารถ ก็สามารถหาเรื่องวิรางวัลได้แต่พอร่างกายแก่ลงไปลงไปความสามารถที่จะไปแข่งขันก็น้อยลงไปเกิดเป็นแชมป์ต่อไปก็ถูกเข้าน็อกเอาไม่ว่าใครก็ตามจะไม่มีวันที่จะเป็นแชมป์ไปได้ตลอดเวลาพออายุมากขึ้น ผู้ท้าชิงตำแหน่งมีอายุน้อยกว่ามีกำลังวังชามากกว่ามีความสามารถมากกว่าก็จะมาคว้าชิงเอาตำแหน่งไปความสุขที่ได้จากการดูการฟังการดื่มการรับประทานก็เหมือนกันเป็นความสุขที่จะนดน้อยถอยลงไปตามกำลังของร่างกาย ร่างกายก็จะมีกำลังน้อยลงไปที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่แหละเป็นเรื่องของวิธีการหาความสุขของพวกเราถ้าไม่ได้เข้ามาที่วัดไม่ได้มาศึกษาหาความรู้หาวิธีหาความสุขแบบที่ ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันทุกข์เนี่ยพอเราได้มาวัดมาได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์กันพอเราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติกัน พอได้ปฏิบัติกันแล้วความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ก็จะมีลดน้อยลงไปตามลำดับจนหมดไปในที่สุดเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวอยู่ภายในใจของพวกเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ไม่เหมือนกับความสุขที่เราหากันจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายพอร่างกายเราตายไปความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆก็หมดไปแล้วก็จะทำให้เราต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะใช้ร่างกายอันใหม่ มาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราอีกรอบหนึ่งเราก็เลยต้องเปลี่ยนร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายเก่าตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่เราก็มาใช้ร่างกายอันใหม่นี้หาความสุขให้กับเราแต่การมีร่างกายมันก็ไม่ใช่จะ มีแต่ความสุขเพียงเดียวการมีร่างกายมันก็มีความทุกข์ต่างๆที่เกี่ยวกับร่างกายที่จะคอยให้เราต้องคอยบำบัดอยู่เรื่อยๆร่างกายนี้มีความทุกข์อยู่แทบทุกวันเพราะว่ามันมีสิ่งที่มันจะต้องคอยดูแล ให้มันไม่ทุกนั่นเองถ้าขาดสิ่งต่างๆที่ดูแลหรือกําจัดความทุกข์ให้กับร่างกายถ้าไม่มีความทุกข์ของร่างกายก็จะไม่หายไปเราก็เลยต้องทุกกับการมาคอยกําจัดความทุกข์ต่างๆของร่างกายะ คอยกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความหิวของร่างกายหิวข้าวหิวน้ำกำจัดความทุกข์จากการที่ร่างกายต้องระบายสิ่งต่างๆที่เอาเข้าไปในร่างกายต้องมีการขับถ่ายแล้วก็ต้องมาคอยป้องกันภัยของร่างกายที่อาจจะถูกสิ่งต่างๆมา ทำให้ตายหรือทำให้เจ็บได้เช่นภัยทางธรรมชาติภัยจากบุคคลที่ไม่ที่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่ดีก็อาจจะถูกเขามาทำร้ายร่างกายได้ดะงนั้นการมีร่างกายนีไไน้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีเลย มีแล้วก็ต้องมีความทุกข์ตามมานอกจากนั้นยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายมันก็ให้ความทุกข์มันไม่ได้ให้ความสุขนี่คือความทุกข์ต่างๆที่เราจะได้รับจากการมีร่างกาย ถ้าเราใช้ความคิดสันหน่อยเราก็อาจจะคิดว่ามีร่างกายนี้มันทุกข์มากกว่าไม่มีร่างกายทำไมต้องมามีร่างกายด้วยทำไมไม่หยุดมีร่างกายเสียทีเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายอย่างที่เรากำลังทุกข์กันอยู่ในขณะนี้ ถ้าเราจะไม่มีร่างกายเราก็ต้องหยุดหาความสุขแบบที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองตอนนี้พวกเราหาความสุขแบบที่ต้องมีร่างกายต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าเราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทะต่างๆเมื่อยังมีความอยาก ในกามาคุณห้านี้เราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าไม่มีตาเราก็ดูภาพไม่ได้ดูรูปไม่ได้ถ้าไม่มีหูเราก็ไม่ได้ยินเสียงถ้าไม่มีจมูกเราก็ไม่ได้ดมกลิ่นไม่มีลิ้นเราก็ไม่ได้สัมผัสกับรสต่างๆไม่มีร่างกายเราก็จะไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่มา กระทบกับร่างกายเช่นความเย็นความร้อนความแข็งความนุ่มอะไรต่างๆนี่คือปัญหาของพวกเราคือเรายัางแสวงหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบอื่นนั่นเอง เพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้รู้จักวิธีหาความสุขแบบอื่นกันพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของพวกเราญาติสนิทมิตสหายพี่น้องอะไรทั้งหลายก็หาความสุขแบบนี้ด้วยกันทุกคนไม่มีใครรู้จักวิธีหาความสุขแบบอื่นและนอกจากไม่รู้จักวิธีแล้วยังหลงไหลกับวิธีหาความสุขแบบนี้ ว่าเป็นวิธีที่ดีเหลือเกินมีร่างกายนี้ดีเหลือเกินมีเงินทองนี้ดีเหลือเกินจะได้หาความสุขกันอย่างสนุกสนานอยากจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเที่ยวได้อยากจะไปดูไปฟังอะไรก็ไปดูได้อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ก็เลยหลงไหล ก, กับการหาความสุขแบบนี้กัน พอไม่มีเวลามานั่งคิดว่าแล้วต่อไปเวลาที่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันจะตายนี้จะทำอย่างไรกันหรือเวลาที่เราไม่สามารถหาเงินหาทองมาใช้ตามความอยากของเราได้นี้มันจะเป็นอย่างไรกันหรือไม่เคยคิดว่าวิธีหาเงินหาทองนี้มันเนหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอย่างไ ร, รไม่เคยคิดกันพอ ไม่มีเวลาที่จะคิดกันเอาความคิดทั้งหมดไปคิดว่าจะหาความสุขจากสิ่งไหนดีในวันนี้วันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้จะไปกินไปดื่มที่ไหนดีวันนี้จะไปพบกับใครดีจะมัวแต่คิดอยู่อย่างนี้วันนี้จะไปหาเงินที่ไหนดีมันก็เลยไม่มีเวลามาคิดว่าถ้าต่อไป เกิดมีอุปสรรคขึ้นมาเกิดไม่สามารถทำตามที่เราอยากจะทำได้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาอันนี้ต้องเจอเองถึงจะรู้คนที่ไม่เจออุปสรรคเขาก็อยาลหลงไหลกับการหาความสุขจากราบยศสาเสนจากรูปเสียงกลิ่นรส พ, พุทธะ แต่พอวันดีขึ้นดีเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาวันนั้นแ่ะเขาก็จะสะดุดนะทีนี้จะไปหาความสุขแบบที่เคยหาก็ไม่ได้ละ้ะเพราะจะต้องไปนอนโรงพยาบาลให้หมอตรวจให้หมอเจาะให้หมออะไรต่างๆแล้วก็ อาจจะรักษาหายหรือไม่หายก็ได้ถ้ารักษาหายก็อาจจะทำให้เวลากลับมาครั้งต่อไปอาจจะทำให้คิดเป็นขึ้นมาก็ได้ว่าโอ๊ยเวลาร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันแสนจะทุกข์ทรมานมันจะไปทำอะไรไปหาความสุขแบบที่เคยหานี้มันทำไม่ได้เลย แต่บางคนก็ไม่ยอมคิดก็มีพอหายปั๊บก็กลับมาคิดแต่การหาความสุขต่อไปไม่ยอมคิดถึงว่าเวลาที่ร่างกายมันเป็นอะไรขึ้นมาจะไม่สามารถหาความสุขได้จะมีความรู้สึกอย่างไรหรือบางคนอาจจะไม่ได้เจอปัญหาทางสุขภาพร่างกาย อาจจะไปเจอปัญหาทางเศรษฐกิจธามาค้าขายแล้วล้มละลายทำไม่เก่งหรือว่าทำผิดพลาดทำให้ล้มละลายลงไปเคยมีเงินทองใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายพอล้มละลายลงไปก็ไม่มีเงินใช้สอยเวลานั้นก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันทุกข์เหลือเกิน หรือบางคนไม่ล้มละลายแต่ตกงานเป็นลูกจ้างเขาทำงานไปแล้วตกงานหรือบริษัทปิดปิดาการไม่มีงานทำไม่มีไรายได้นั่นแหละมันถึงจะทำให้เห็นว่าวิธีการหาความสุขที่เคยหานี้มันไม่ได้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเสมอไป ต้องมีวันใดวันหนึ่งที่อาจจะต้องสะดุดล้มลงได้นีนี้เวลาล้มลงแล้วนี่พอลุกขึ้นมาได้นี่จะคิดเป็นหรือเปล่าเท่านั้นบางคนก็คิดเป็นเอาเหตุการณ์นี้มาสอนใจว่าการหาความสุขแบบนี้มันเสี่ยงต่อความทุกข์มันไม่แน่นอน เสมอไปที่จะได้เสมอไปมันมีโอกาสที่จะไม่ได้มีโอกาสที่จะเสียเ อ, อถ้าคิดอย่างนี้เป็นก็อาจจะทําให้คิดว่าหาทางอื่นดีกว่าไหมหาวิธีอื่นที่จะทําให้ไม่ต้องออมาทุกข์มาทรมานแบบวิธีนี้เ อ, อก็อาจจะคิดเข้าวัดกัน หรื อ, อยังถ้าไม่เข้าวัดก็อาจจะถามคนนู้นคนนี้คุยกับคนนู้นคนนี้ก็อาจจะมีคนบางคนที่รู้ว่าที่วัดนี้มีวิธีสอนวิธีหาความสุขอีกแบบหนึง่งหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองมากมายไม่ต้องมียศมีตำแหน่ง ไม่ต้องมีรางวัลไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขก็อาจจะได้เรียนรู้วิธีก็อาจจะสนใจแล้วก็จะลองเข้าวัดดูลองศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าดู สมัยนี้เราไม่ต้องเข้าวัดเราก็ไปถึงวัดได้เพราะเดี๋ยวนี้มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแพร่หลายในสื่อต่างๆในมือถือของเรานี่ก็มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราสามารถที่จะศึกษากันได้ที่จะได้เรียนรู้กันได้ว่าการหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้านี้หาอย่างไร ตอนต้นเราก็อาจจะใสยการอ่านหนังสือธรรมะต่างๆไปนะหรือสมัยนี้ก็สามารถฟังเทศฟังธรรมจากพระอริยสงสาวกได้ก็มีการไปบันทึกเสียงบันทึกภาพเวลาที่มีพระอริยสงสาวกท่านแสดงธรรมคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจะเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์กันพะ การประพฤติของท่า น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปความประพฤติของท่านนี้จะตรงกันข้ามกับความประพฤติของคนธรรมดาทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปมักจะมีความโลภความโกรธความหลงแต่พระอริยสงฆ์นี้ท่านจะไม่มีความโลภความโกรธความหลง คนธรรมดามักจะไม่ค่อยมีความเมตตากรุณามมฎิตาอุเบกขาพระเอเลียสงฆ์นี้ท่านจะมีความเมตามตามมฎิตาเมตตากรุณามุฎิตาอุเบกขามันก็จะทําให้เรานี้พอที่จะเชื่อได้ว่าท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ บรรลุธรรมขั้นต่างๆเป็นพระอริยะสงสาวกของพระพุทธเจ้าพอเราได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของท่านเราก็จะได้เรียนรู้วิธีการหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้าว่าหาอย่างไรนี่คือเหตุที่อาจจะทําให้เราเข้าวาัดกันคือเราจะต้องเจอความทุกข์กันเจอความทุกข เจอพิษของความสุขเป็นพิษของความสุขที่เราหากันความสุขต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายวันดีคืนดีมันก็อาจจะพ่นพิษออกมาเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานเข้าไปวันดีคืนดีมันก็ทำให้เราท้องเสียได้ทำให้เราอาเจียนทำให้เราถ่ายท้องทำให้เราเห็นพิษ เห็นโทษของอาหารที่เรารับประทานว่ามันไม่ได้ให้ความสุขของเราให้กับเราไปเพียงอย่างเดียววันดีคืนดีมันก็จะพ้นพิษใสเราได้ถ้าเราไม่อยากจะให้มันพ้นพิษใสเราต่อไปเราก็อาจจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขก็ได้แทนที่จะหาความสุขจากการกินการอะไรต่างๆ ไปหาความสุขแบบอื่นถ้ามีอันนี้เป็นเหตุที่จะทำให้เราต้องค้นหาความสุขแบบอื่นกันถ้าความสุขแบบที่เราหากันนี้มันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะทำให้เราเบื่อและไม่อยากที่จะหาความสุขแบบนี้กันถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา อย่างยุคนี้ก็ถือว่าเราโชคดีเพราะเราจะได้อมีแหล่งที่จะสอนให้เราหาความสุขแบบที่ไม่มีความทุกข์กันแต่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ช่วยไม่ได้เพราะจะไม่มีใครรู้วิธีที่จะสอนให้เราหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์กัน ยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคที่ที่โชคดีของพวกเราที่เวลาที่เราเบื่อกับการหาความสุขบาตที่เราเคยหากันอยู่เพราะเบื่อกับพิษที่มันพ่นให้เราอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็อาจจะเข้าวัดเข้าว่ากันเหรอการเข้าวัดเข้าว่าก็ต้องไปให้ถึงวัดเนี่ยถ้าไปเจอมัคขุเทศที่ไม่ รู้จักวัดก็ จ, จะพาไปไม่ถึงวัดถ้ามีคนแนะนำว่าให้ไปวัดไปกราบพระในโบสถ์แล้วก็ไปขอพรแล้วก็ทำบุญถวายสังฆทานอะไรไปแล้วจะแก้ปัญหาได้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็ไม่ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ ถ้าไปกาบผ้าในโบสถ์แล้วก็ขอให้ความทุกข์ต่างๆที่มีหมดไปแต่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนวิธีการหาความสุขแบบเดิมอยู่ความทุกข์แบบเดิมมันก็ยังต้องตามมาอยู่ถ้าเรายังต้องหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ความทุกข์มันก็ยังจะกลับมาอยู่ ถ้าเข้าวัดแบบนี้ยังถือว่าเข้าไม่ถึงวัดนะถ้าเข้าเพียงแต่ไปกราบผ้าขอพรทำบุญทำทานแล้วก็ขอพรขออันิี่ส่์ของการทำบุญนี้ให้ความทุกข์ต่างๆที่เราพบนี้ให้มันหายไปแล้วอย่าให้เราพบมันอีกเลยถ้าไปทำถ้าไปวัดไปทำบุญแบบนี้ก็ยัง แสดงว่ายัางไปไม่ถึงวัดถ้าอยากจะไปไปถึงวัดนี้ต้องไปฟังเทศฟังธรรมไปศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสยากตาหูจมูกรินกาย ให้มาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบกันอันนี้เราต้องเข้าใจต้องได้เรียนได้รู้ได้ฟังวิธีของการหาความสุขแบบใหม่ว่าหาอย่างไรเนี่ยคือให้มาหาความสุขด้วยการทำใจให้สงบแล้วต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือก็ต้องใช้ศีลสมาธิและปัญญา เ, เครื่องมือในการที่จะสร้างความสุขแบบไม่มีความทุกข์นั่นเองถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเต็มร้อยเราจะสามารถสร้างความสุขแบบไม่มีความทุกข์ได้อย่างเต็มร้อยถ้าเรามี50 50เราก็จะสร้างได้เพียง50 50าอันนี้ นี่คือวิธีการของการหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นผู้ค้นพบและได้ทรงปฏิบัติจนได้พิสูจน์เห็นว่าเป็นวิธีที่ไม่มีความทุกข์อย่างแน่นอนมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวผลที่เกิดจากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้เต็มร้อยนี้ จะทําให้เกิดมีบัลมมาสุขขึ้นมาความสุขเต็มร้อยนี่แหละเรียกว่าบัลมมาสุขสุขที่พวกเรามีการนี้เรายังไม่เรียกว่าบัลมมาสุขเพราะมันเป็นสุขแบบไม่เต็มร้อยสุขแบบขาดขาดเกินเกินสุขบ้างทุกบ้างไม่จีรังถาวนไม่สุขตลอดเวลาสุขวันนี้สุขตอนเช้าเดี๋ยวตอนบ่ายก็ทุกข์ขึ้นมาแล้ว ทุกเรื่องนั้นกับทุกเรื่องนี้อันนี้จะไม่มีจากการปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าจะมีแต่ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปความทุกข์ลดน้อยลงไปจนความทุกข์หายไปหมดเหลือแต่ความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจเพียงอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีวันลดไม่มีวันหมดด้วย พอถึงขั้นเต็มร้อยแล้วนี้มันจะเป็นความสุขที่จีรังถาหวานที่ไม่ต้องมาคอยเติมอีกต่อไปไม่เหมือนกับความสุขที่เราหากันนี้ต้องคอยเติมอยู่เลยวันนี้ไปเติมความสุขกันด้วยการไปกินไปดื่มกันไปดูไปฟังอะไรกันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กันพอเดี๋ยวกลับมาบ้านความสุขเหล่านี้ก็หายไปหมด พรุ่งนี้ก็ต้องออกไปเติมใหม่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่สามารถมีความสามารถที่จะเติมได้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาแต่ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้มันจะถ้ามันได้เต็มร้อยแล้วมันจะไม่ต้องเติมอีกต่อไป แต่ตอนที่ยังไม่ได้เต็มร้อยนี้ต้องขอยันต้องคอยเติมมันอยู่เรื่อยๆต้องพยายามรักษาศีลอยู่เรื่อยๆนั่งสมาธิอยู่เรื่อย ๆ, อยอยๆทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆแล้วก็ศึกษาสอนใจให้มีปัญญาให้คอยเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นของเราอย่าไป อยากได้มันมาได้มันมาแล้วมันจะทุกเวลามันหมดไปเราห้ามมันไม่ได้เราสั่งมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นของเราเวลามันจะไปเป็นของคนอื่นมันก็ไปเฉยๆอย่างนั้นแหละนี่คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาที่เป็นสิ่งที่เราต้องมาศึกษาว่าศีลมีอะไรบ้าง สมาธิทำอย่างไรถึงจะทำให้เป็นสมาธิขึ้นมาปัญญาทำอย่างไรถึงจะทำให้เป็นปัญญาขึ้นมาอันนี้ต้องศึกษารายละเอียดขั้นต้นการู้ว่านี่คือเครื่องมือของการสร้างความสุขแบบใหม่ความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมาต้องสร้างด้วยศีลสมาธิปัญญา ศีลที่จะเอามาใช้ในการสร้างความสุขนี้ก็ต้องเป็นศีลระดับศีลแดขึ้นไปศีลในพุทธศาสนานี่มีหลายระดับศีลแปดศีลสิบศีสองอยีสเดศีลสามสิบอดข้อทำไมจึงมีศีลหลายแบบก็เพราะว่าผู้ปฏิบัตินี้มีหลายแบบนั่นเอง เหมือนรองเท้าทำไมต้องมีหลายขนาดรองเท้าก็มีคู่เล็กคู่ใหญ่มีแบบของผู้หญิงแบบของผู้ชายศีลก็เหมือนกันศีลแปดนี่ก็มีไว้สำหรับผู้กองเรือนอย่างศรัทธาญาติโยมที่ยังอยู่บ้านมีสามีมีครอบครัวอยู่ ก็ให้ถือศีลแปดในวันพระให้หัดถือศีลแปดในวันพระแต่ถ้าเป็นเด็กแล้วพ่อแม่อยากให้บวชเป็นเนรพอบวชเป็นเนนก็ให้ถือศีลสิบแบอหรือเป็นแม่ชีก็ถือศีลสิบหรือศีลแปดก็ได้แล้วแต่ถ้าแม่ชีสมัยนี้มีสองแบบแม่ชีบ้านกับแม่ชีวัดเนี่ย แม่ชีบ้านนี้จำเป็นต้องถือศีลแปดเพราะยังต้องจับต้องเงินทองอยู่ยังต้องไปซื้อกับข้าวกับปลามาทำกินเองอยู่แต่ถ้าเป็นแม่ชีวัดนี้ก็ไม่ต้องจับต้องเงินทองอาศัยอยู่กับวัดอยู่กินกับวัดไปก็ถือศีลสิบเหมือนกับสัมมาเนนทำไมสัมมาเนนถึงถือเพียงสีลสิบก็เพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ ยังไม่มีกําลังที่จ ะ, ะถือศีลของพระสองร้อยบเจดข้อได้แต่พออายุครบยี่สิบแล้วบวชเป็นพระก็ให้ถือศีลเพิ่มจากศีลสิบเป็นศีลสองยี่สิบเจดส่วนถ้าเป็นผู้หญิงอยากจะบวชเป็นพระสมัยก่อนนี้มีการบวชผู้หญิงเป็นพระได้เป็นภิกษุณีภิกษุณีนี้ก็กลับมีศีลมากกว่าพระอีก พระมีสองร้อยิบเจ็ดภิกษุณีกับมีสามรอยสิบเอ็ดข้อทำไมจึงมีมากกว่าก็เพราะว่าภิกษุณีนี่สนกว่าพระนั่นเองทำผิดมากกว่าพระพอาะทำผิดมากกว่าก็เลยต้องมีข้อห้ามมาคอยห้ามมาไว้ไม่ให้ทำผิดนะพระก็สนสมัยยุคแรกๆนี้พระที่บวชนี้เป็นพระอรหันต์ไม่มีศีลเลยไม่มีไม่มีข้อห้ามเลย เพราะว่าพระอาหารหันต์นี้ท่านไม่ทำอะไรผิดเลยไม่ทำอะไรเสียหายยุคที่พระพุทธเจ้าบวชพระรุ่นแรกๆนี่เป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นพระอาหารหันต์นี้ท่านไม่ทำผิดท่านไม่ทาอะไรผิดไม่คิดไม่พูดอะไรผิดก็เลยไม่ได้ตั้งตั้งศีลมาบังคับไม่ให้ทำแต่ต่อมามีพวกที่มี กิเลสยังไม่ได้เป็นอหรหันต์มาขอบวชเนะพอมาขอบวชแล้วก็ไม่รู้จักวิธีอยู่แบบพระว่าอยู่แบบไหนทำแบบไหนก็ยังไปทำแบบชาวบ้านอยู่เอานิสัยของชาวบ้านมาถึงน่าจะห่มผ้าเหลืองโกนหัวแต่นิสัยมันยังไม่ได้เป็นนิสัยของพระมันก็มาทำเรื่องเสียหายให้ชาวบ้านเขามา โจทย์ขานมาตำหนิพระพุทธเจ้าได้ยินเรื่องก็เลยต้องมาบังคับสั่งตั้งข้อบังคับขึ้นมาห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้บางคนบวชมาแล้วก็กลับไปนอนกับสีกาคิดว่าไม่เป็นไรเพราะเป็นสีกาเป็นนะเป็นแฟนกันมากลายเป็นผัวเป็นเมียกันมาพ่ออยากจะได้หลานตายายปู่ย่าตายายอยากจะได้หลานเอาไปสืบทอด สมบัติมรดกก็เลยขอร้องให้พระไปนอนกับอดีตสามีอดีตภรรยาพระไม่รู้ว่าผิดก็ไปนอนพอไปนอนแล้วมันก็เป็นเรื่องกอรหานินธาขึ้นมาเป็นพระไปนอนกับสามีสีกาได้อย่างไรก็มีคนไปฟ้องฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยต้องมาตั้งข้ว่าต่อไปนี้บำบัดเป็นพระแล้วห้ามนอนกับสีกา นี่คือความสุขสนของพระเวลามาบวชนะถ้าเป็นพระอาหารหันต์นี้ท่านไม่สนนะท่านรู้เลืท่านรู้ผิดถูกดีชั่วท่านไม่ทำอะไรที่ผิดยุคแรกๆเลยไม่มีศีลไม่มีศีลมาบังคับพระเพราะเป็นพระอาหารหันต์ทั้งนั้นแต่ต่อมามีพวกที่ยังไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ยังเป็นปุถุชนยังมีกิเลสมีโลภโกรธหลงมี ตันหาความอยากอยู่พอมาบวชกิเลสตันหามันไม่ได้ตายไปกับการบวชนะมันก็มาแผลงฤทธิ์ในในในคาบของผ้าเหลืองเข้าพอมาแผลงฤทธิ์เข้ามันก็ไม่สวยไม่งามไม่น่าดูก็มีคนโจดขานมีคนตำหนิกันก็เลยต้องมาตั้งข้อบังคับไม่ให้ทำกันะข้อบังคับต่างๆนี้เราเรียกว่าศีลไม่ให้ทำในสิ่งที่เสียหาย ไม่ให้ทำให้เสื่อมศรัทธาต่อผู้ที่เขาเคารพนับถือพระก็เลยมีสองร้อยยิบเจ็ดข้อแต่ภิกษุนี้นี่มีต้องสามร้อยสิบเอ็ดข้อภิกษุนี้นี่แสดงว่าสนกว่าพระผู้หญิงกับสนกว่าผู้ชายแนวนาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่ชอบอยู่ในกรอบของธรรมะกันชอบออกนอกลู่นอกทาง ก็เลยต้องมีการตั้งศีลต่างๆขึ้นมาสาหรับญาติโยนเนี่ยที่มาฟังเทศฟังธรรมนี้ถ้าจะรักษาศีลเพื่อให้ทำใจให้สงบนี้ต้องรักษาศีลแปดถ้ารักษาศีลห้านี้ยังมีกำลังไม่พอศีลห้านี้สำหรับผู้ที่ยังต้องการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ก็ให้หาแบบที่ ไม่ทำบาปคือให้หาได้แต่อย่าไปหาด้วยการทำบาปอย่าหาด้วยการไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปผิดสามีผิดภรรยาของผู้อื่นเออถ้าอยากจะ อ, อทำอะไรไปเที่ยวก็อย่าไปขโมยเงินของคนอื่นไปเที่ยวออนี่ต้องถือศีลห้าแต่พวกที่ต้องการที่จะเลิกหาความสุข ทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมาหัดถือศีลแปดกันวันพระจึงเป็นวันที่คารวาดผู้ครองเรือนจททายาโยมผู้ที่อยากจะม า, อาลองหาความสุขแบบไม่ใช้ร่างกายก็จะมาถือศีลแปดที่วัดกันถ้าถือศีลแปดที่วดัดเราก็เรียกว่าโอุโบสถศีลเพราะว่า จะไปพักอยู่ในอุโบสถคือนในโบสถ์นั่นเองเพราะที่วัดนี้ไม่มีที่พักให้ศรัทธาญาติโยมก็มีโบสถ์ใหญ่ๆเป็นที่พระจะแสดงธรรมให้ญาติโยมฟังเป็นที่ญาติโยมจะไหว้พระสวดมนต์ฝึกสมาธิกันแล้วก็นอนกันในโบสถ์นั้นก็เลยเรียกว่าถืออุโบสถศีลอุโบสถศีลก็ศีลแปดดีๆนี่ เพียงแต่ว่าพอไปอยู่ในโบสถ์ก็เลยเปลี่ยนชื่อจากศีลแปดมาเป็นศีลอุโบสถนะเพราะไปนอนที่ที่ในโบสถ์ถ้าถือศีลแปดแล้วกลับไปนอนที่บ้านนี้ก็ไม่เรียกว่าศีลอุโบสถนะเรียกว่าศีลแปดแต่รักษาศีลแปดที่บ้านนี้มันก็ยากกว่ารักษาศีลแปดที่วัดเพราะที่บ้านคนอื่นเขาไม่ได้รักษาศีลแปดเหมือนเรา เขาก็จะทำอะไรที่จะทำให้ขัดกับเราเขากินข้าวเย็นเราไม่กินข้าวเย็นเนี่ยพอเราเห็นเขากินข้าวเย็นเราก็น้ำลายไหลได้เดี๋ยวก็อดที่อยากจะกินไม่ได้เดี๋ยวทําไปทิ้นทามาเดี๋ยวศีลแปดก็เหลือศีลเจ็ดเนี่ยอย่างนี้จึงควรไปรักษาศีลที่วัดกันไปรักษาศีล ถ้าไปวัดที่ปฏิบัติวัดปฏิบัตินี้เขาไม่มีโบสถ์ไม่มีอุโบสถเขามีศาลาเขามีที่ปฏิบัติทำให้อยู่เป็นหอพักหรือเป็นกุฏิเป็นบ้านเป็นหลังให้แยกกันอยู่ก็เลยไม่เรียกว่าไปถืออุโบสถศีลเรียกว่าไปถือศีลแปดแต่ก็เป็นศีลเหมือนกันศีลเท่ากันศีลแปดผู้ที่ต้องการหาความสุขต้องถือศีลแปด ข้อศีลแปดจะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกายนั่นเองเจนศีลข้อสามนี้ก็ไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนให้แยกกันอยู่ถ้าไปวัดด้วยกันก็แยกคนละฝกักในวันนี้มักจะแยกผู้หญิงกับผู้ชายอยู่คนละฝักกันไม่ให้อยู่ใกล้กันเดี๋ยวเหมือนน้ํามันกับไฟถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาง่าย เวลาเขาเก็บน้ำมันเขาจะแยกไว้ไม่ให้อยู่ใกล้กับที่มันมีไฟถ้าเกิดน้ำมันอยู่ใกล้ไฟเดี๋ยวเกิดน้ำมันมันไหลไปเจอไฟเขามันจะลุกลามขึ้นมาได้หรือสเก็ดไฟไปถูกน้ำมันเขามันก็จะทำให้ลุกลามได้ไฟของใจก็คือกาอารมณ์นี้เอง ถ้าอยู่ใกล้กันหญิงชายเห็นกันตะเนื้อต้องตัวกันเดี๋ยวก็ไฟลุกขึ้นมาได้เดี๋ยวจะทําให้ศีลลดลงเหลือศีลหกศีลเจ็ดหรือศีลหกพราไม่สามารถรักษาศีลข้อสามได้นนี้คือศีลแปดศีลข้อสามก็ต้องไม่ร่วมหลับนอนกับใครศีลข้อหกก็ไม่กินอาหารมากเกินไปกินพออยู่ กินเพื่ออยู่ไม่ให้อยู่เพื่อกินไม่ให้กินตามความอยากเพราะเราต้องการกำจัดความอยากความอยากเป็นต้นเหตุของความไม่สงบของใจถ้าต้องการให้ใจสงบต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆอยากกินอาหารอยากเดิมเครื่องเดิมอยากกินขนมนี้ถ้าหมดเวลาแล้วไม่ให้เดิมไม่ให้กินนะให้กินได้เฉพาะณนะเครื่องเดิมที่ เสริมกำลังให้กับร่างกายในตอนบ่ายเช่นน้ําผลไม้เรียกว่าน้ําปานะหรือน้ําที่เป็นเพสัชมีอยู่ห้าชนิดด้วยกันคือน้ําน้ําตาลหรือน้ําอ้อยน้ํำพึ่งน้ํามันเนยข้นเนยใสอันนี้กินเพื่อเยียวยาร่างกายได้ให้ร่างกายมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาอนุญาตให้กินได้หรือดื่มน้ําผลไม้ น้ำผลไม้ก็ต้องคั้นจากผลไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่นน้ําผลไม้ของส้มโอนี้ไม่ได้ของแตงโมนี้ไม่ได้ของสับ ป, ปะรดนี้ไม่ได้เอามาคั้นกิน ด, ดื่มน้ําไม่ได้มันใหญ่เกินไปให้เอาน้ําจากผลไม้ที่เล็กกว่ากำปั้นหรือเท่ากับกำปั้นเช่นส้มองุ่นอะไรพวกนี้ แล้วเวลาคั้นก็ต้องเอากองพวกเนื้อออกจากน้ําด้วยไม่ให้มีเนื้อไม่ให้มีกา ก, ากติดกับน้ําให้ดื่มแต่น้ำเปลปาน้ําผลไม้เพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่อนุญาตให้รับประทานได้ในช่วงบ่ายเพราะร่างกายอาจจะขาดพลังงานถ้าดื่มพวกนี้เข้าไปแล้วก็จะมีพลังงานทําให้ไม่อ่อนเพลีย ทำให้มีกําลังที่จะได้เดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไหวพระสวดมนต์กันได้อันนี้คือศีลข้อหกแล้วก็ห้ามศีลข้อเจ็ดก็ห้ามดูหนังดูละครฟังเพลงร้องลํำทำเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ให้หาความสุขจากกิจกรรมเหล่านี้ ให้เอาเวลามาหัดนั่งสมาธิกันมาไหว้พระสวดมนต์กันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันแล้วสีลงข้อแปดก็ไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนบนพื้นแข็งๆมันจะได้ไม่สบายมากเกินไปถ้านอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆนามันจะสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วมันจะตื่นขึ้นมาแต่ถ้ามันนอนบนฟูกหนาๆ มันสบายก็จะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่อก็จะเสียเวลาอันมีค่าไปถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายนอนแล้วมันเจ็บหลังลุกขึ้นมาดีกว่าลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างศีลเพื่อสร้างสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้น พอมีสีแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาสร้างสมาธิฝึกสมาธิวิธีฝึกสมาธิก็มีหลายแบบการสวดมนต์นี่ก็เป็นการฝึกสมาธิแบบหนึ่งการฟังธรรมก็เป็นการฝึกสมาธิการเดินจงกรมบริกรรมพุทโธก็เป็นการฝึกสมาธิการนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็เป็นการฝึกสมาธิ ก็อยู่ที่กำลังของผู้ที่มาปฏิบัติว่ามีกำลังที่จะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปตามกำลังไปก่อนบางคนยังนั่งสมาธิดูลมหายใจไม่ได้เดินจงกรมพุทธโธไม่ได้ได้แต่สวดมนก็สวดมนไปก่อนได้แต่ฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไปก่อนแล้วต่อไปก็ลองพุทธโธดูเดินจงกรมพุทธโธดู นั่งสมาธิดูลมหายใจดูถ้ามีสปิเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็จะนั่งได้ส่วนการฟังธรรมนี่นอกจากเป็นการเจริญสมาธิแล้วก็ยังเป็นการเจริญปัญญาจะได้เรียนรู้ความรู้ว่าอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจจะได้ใช้ปัญญานี้มากําจัด ตัวที่เป็นเพชเป็นภัยตัวที่ขัดขวางความสงบของใจก็คือกิเลสตัณหาก็ต้องใช้อุบายของปัญญาสอนใจให้เห็นสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราก็จะได้ไม่อยากได้กิเลสตัณหาก็จะถูกระงับไป กิเลสการหาถูกระ ง, งับความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะหายไปความสงบก็จะกลับเข้ามาแทนที่นี่คือวิธีการของการหาความสุขแบบพระพุทธเจ้าแบบที่ไม่มีความทุกข์ตามมา พอสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องใช้เข้าของเงินทองไม่ต้องใช้ยศใช้ตำแหน่งไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องใช้การสรรเสริญเยินยอไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่ก็ยังสามารถปฏิบัติได้เจ็บก็ยังปฏิบัติได้ตายก็ยังปฏิบัติได้แล้วความสุขที่แท้จริงก็จะเป็นผลตามมาต่อไปนี่คือประโยชน์ของการเข้าวัดในวันพระ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขแบบของพระพุทธเจ้าว่าหาอย่างไรเพราะแบบของเรานี้มันมีแต่ความทุกข์ตามมาอยู่เรื่อยๆเรามาเปลี่ยนหาความสุขแบบพระพุทธเจ้ากันดีกว่าโดยการมาถือศีลแปดมาฝึกสมาธิมาสร้างปัญญากันด้วยการฟังเทศฟังธรรม ด้วยการใช้ความคิดพิจารณาไปตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้คิดต่อไปเราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ทำใจให้มีความสุขตลอดเวลาได้นี่คือเรื่องของการมาวัดในวันพระเป็นอย่างนี้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผรอยัตถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิตตตินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตตังปฏิตังตุลหังคิดป้เมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตตสังกปา ยัญโทปนาราโสยถามณิโชติาราโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโววินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีติกายุโกภวา อาภีวาธานสีฤทธานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโหทัมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา391 YouTube 282บทิวิธีออนไลน์29รับฟังข้างบนนี้111คนรวมทั้งหมด813ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามก็อยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ทางบ้านมีเข้ามาแล้วยังเอ า, เอาทางบ้านก่อนก็แล้วกันคำถามจากทางอินบ็อกซ์ครับคุณตาโยมทำงานที่ต้องจัดสัมมนาและในงานจะมีเลี้ยงเล่าอยู่เนืองๆโดยรับคำสั่งมาจากเจ้านายอีกทีให้โยมสั่งกับร้าน ขอถามว่าเป็นบาปไหมเจ้าคะและจะทำอย่างไรเพื่ออธิษฐานหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกเจ้าคะก็ต้องเปลี่ยนงานแล้วมั้งไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยแต่ถ้าเกี่ยวข้องก็ยอมรับว่าเรายังอยู่ในสถานะที่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเองอย่าไปเดิมก็แล้วกัน การจัดให้คนอื่นเดิมนี่ไม่ถือว่าเป็นบาปถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ควรจะทําคือไปส่งเสริมให้คนอื่นเขามินเมาความจริงมันไม่น่าเนะมาสัมมนาเพื่อหาความรู้แล้วมากินเหล้าแล้วมันมันขัดกันถ้าคนกินเหล้าก็ไม่มาเรียนกันหรอกคนกินเหล้าก็เฮหาปาร์ตี้กันนะ่ะ ยันที่โรงเรียนต่อไปครูก็ต้องจัดเล่าเลี้ยงเด็กเลยอ <laughs> ย่นั้นทำอย่างนี้มันก็แทนที่จะได้ผลดีกับไม่ได้ผลทําไปทําไมสู้อย่าทําดีกว่างั้นก็ถ้าเราเป็นชาวพุทธเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเราก็เลือกเอาธรรมะดีกว่าเออ เอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าดีกว่าเอาผลประโยชน์จากการทํางานที่มันไม่มันที่มีโทษกับผู้อื่นถึงแม้ไม่มีโทษกับตัวเรามันก็ไปมีโทษกับผู้อื่นภาการส่งเสริมให้ดื่มสุรายาเมามันก็จะทําให้คน ม, มึนเมากันแล้วเวลามึนเมาก็จะควบคุมการพูดการกระทําไม่ได้ ควบคุมความคิดไม่ได้เวลาคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทำไม่ดีทันทีผลก็คือผู้ที่ผู้ที่อยู่ใกล้ก็ต้องรับเคาะไปเห็นถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงก็ต้องหางานใหม่แล้วถ้ายังคิดว่าหาไม่ได้เพื่อการอยู่รอดก็ก็ต้องทนอยู่ไปก่อน คำถามต่อไปจากคุณจกกักริดความอยากกับความปรารถนามีความแตกต่างหรือเหมือนกันครับมันก็อยู่ที่ใจเราเนะี่ยมันก็เป็นคำพูดที่มีความหมายอันเดียวกันปรารถนาก็ต้องการอยากก็ต้องการนี่มีความอยากความปรารถนานี้มีแบ่งเป็นสองฝ่ายความอยากปรารถนาที่ดีก็มี ความอยากปรารถนาที่ไม่ดีก็มีที่ไม่ดีก็เพราะมันเป็นอันตรายต่อเรานั่นแหละเป็นโทษกับเราที่ดีก็เพราะว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราอความปรารถนาที่ไม่ดีก็คือความปรารถนาในสิ่งที่ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแต่มันจะตั้งกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเช่นความอยากมีอยากเป็นอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย อยากร่ำอยากรวยอยากมีตำแหน่งอยากมีรางวัลได้รางวัลอยากไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ความสุขเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาแต่ความอยากที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์หรือให้ความทุกข์มันหายไปก็เรียกก็เป็นความอยากที่ดีความอยากทำบุญทำทาน เป็นความอยากจะรักษาศีลความอยากที่จะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิความอยากที่จะฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาความอยากเหล่านี้ถือว่าเป็นความอยากที่ดีมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจเรานราต้องมาศึกษาแล้วก็พยายามกำจัดความอยากที่ไม่ดีส่งเสริมความอยากที่ดี แล้วความสุขของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับคำถามต่อไปจากคุณธีรยุทธ์ถ้าเราขับรถไปตามทางแล้วพบสัตว์ต่างๆเช่นนกงูกบ โดนรถชนรถทับจนตายบางครั้งถ้าไกล้ๆบ้านก็จะเก็บซากไปฝังดินพร้อมแผ่ส่วนกุศลให้สัตว์ตัวนั้นจะได้รับบุญหรือไม่ครับหรือถ้าไปไกลๆแล้วเจอแต่ไม่สามารถเก็บซากไปฝังได้ก็จะแผ่ส่วนกุศลให้อย่างเดียวแบบนี้สัตว์เหล่านั้นจะได้รับบ้างไหมครับก่อนจะแผ่บุญกุศลเราก็ต้องมีก่อน เวลาเราอยากจะแผ่บุญกุศลเราก็ไปทําบุญใส่บาตถวายสังฆทานพอเราทําแล้วเราก็มีบุญมีกุศลเพียงแต่คิดในใจว่าเป็นบุญเป็นกุศลนี่มันยังไม่เป็นบุญเป็นกุศลเั้นถ้าต้องการแผ่บุญกุศลก็ต้องไปทําบุญก่อนถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้กับคนตายเราก็มักจะทําบุญกันใส่บาต นิมนต์พระมาฉันที่บา้านนึกไปถวายสังฆทานอางนี้พอเราทำแล้วก็จะเกิดบุญกุศลขึ้นมาในใจเราถึงจะแผ่ได้คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามการทำบุญด้วยปัจจัยมากหรือน้อยต่างกันไหมครับในคนคนเดียวกันก็ต่างเลเหมือนคนกินข้าวจานหนึ่งกับคนกินข้าวสองจาน ความรู้สึกอิ่มมันไม่เท่ากันนะกินจานมันไม่อิ่มเท่ากินสองจานเวลาเราทำบุญเราเสียเงินไปน้อยก็รู้สึกมีความสุขน้อยเสียเงินมากก็จะมีความสุขมากบุญคือความสุขใจเอานเวลาเราทาบุญน้อยบาทกับทำบุญพันบาทนี่รับประกันได้ว่าความรู้สึกมันจะไม่เท่ากัน ควารู้สึกอิ่มเอิบใจสุขใจมันจะมากน้อยต่างกันนั่นแหละคือปริมาณของบุญในตัวของเราเองอันนี้เราไม่ให้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะอย่าไปเปรียบเทียบว่าอคนอื่นเขาทำํำน้อยกว่าเราแต่เขาได้บุญมากกว่าเราเราทํามากกว่าเข า, เากลับได้บุญน้อยกว่าเขาอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่า ปริมาณของบุญที่เกิดขึ้นกับเรากับเขานี้มันไม่ได้วัดอยู่ที่ตัวเงินแต่มันวัดอยู่ที่สัสดส่วนของเงินที่เรามีที่เราเสียไปเช่นสมมติว่าเรามีล้านหนึ่งเราทาสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ทําไปแสนหนึ่งเขามีแสนหนึ่งเขาทาสองหมื่น เขาทำสองเท่าของเราตามสัดส่วนเงินของเขากับเงินของเราเขาทำยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่เราทำสิบเปอร์เซ็นตความรู้สึกที่เขาได้รับจากการทำบุญของเขานี้เขาจะรู้สึกว่าเขาได้ความสุขมากกว่าเพราะเขาเสียเงินมากกว่าเราเสียสัดส่วนเงินของเขามากกว่าเราถ้าเราอยากจะได้ความสุขเท่ากับเขาเราก็ต้อง ทำสองแสนเพราะเราจะได้ยี่สิบเปอร์ซ็นต์อันนี้พูดถึงการเปรียบเทียบถ้าระหว่างคนแต่ละคนนี้เพราะว่าฐานะการเงินการทองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนบางคนมีเงินมากพอเสียไปถึงแม้จะในสายตาของคนมีเงินน้อยว่าเป็นเงินมากแต่มันในสายตาของคนมีเงินมากมันเป็นเป็นเศษเงินไปอ คนที่มีร้อยล้านพันล้านนี่ทำสักล้านหนึ่งมันรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกสะเทือนก็สะเทือนใจแต่อย่างใดแต่คนที่มีสองสามล้านนี่ทำสักล้านหนึ่งรู้สึกว่ามันสะเทือนใจกว่าเพราะว่ามันเสียมากกว่าตามความรู้สึกของของเจ้าของเงินความรู้สึกนี้แหละมั น, มนจึงไม่เหมือนกันไม่ได้วัดด้วยที่ตัวตัวเงินเพียงเดียว แต่ถ้าในตัวคนคนเดียวกันนี่วัดที่ตัวเงินได้ถ้าเราทำบุญล้านเนี่ยกับทาบุญสองล้านเนี่ยมันจะมีความรู้สึกต่างกันความรู้สึกสุขมะสุขมากกว่ากันน้อยกว่ากันแล้วอาจจะเกิดความเสียดายมากน้อยกว่ากันด้วยทำล้านกับทำสองล้านนี่สองล้านนี่มันทักจะเสียดายขึ้นมา แต่ถ้าตัดตัดใจได้ทำใจได้เอาชนะความเสียดายได้มันก็จะเกิดความสุขขึ้นม า, ามากกว่าทำร้านหนึ่งเอาไม่เชื่อลองไปดูต่อไปเวลาจะทำบุญเนี่ยลองชั่งน้ำหนักดูเอาเท่าไหร่ดีวะแล้ว <c oughs> ลองดูซิว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงเหมือนกันไหมทำสองร้อยกับทำ หนึ่งน้อยนี่ความรู้สึกมันเหมือนกันหรือเปล่าไม่เหมือนอเพราะความผูกพันของเรากับเงินทองมันมีมากน้อยตามปริมาณของมันคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามโยมมีพี่ที่ทำงานเขาชอบพูดทำร้ายจิตใจบางครั้งพูดส่อเสียดให้เราเสียใจเราเองก็พยายามนิ่งไว้ไม่ตอบโต้แต่แล้วเขาก็ยังไม่ลดละเราควร กระทำตนอย่างไรเจ้าคะก็คือปากของเขาอ่ะเราไปสั่งให้เขาพูดได้หรือเปล่าให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าเมื่อเราสั่งเขาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาพูดไปเรามีหูเราก็ฟังไปเท่า น, นั้นเองแล้วเราก็ทำใจ เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกที่มีทั้งสรรเสริญมีทั้งนินทาเราไปเลือกไม่ได้แต่เราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ถ้าเรารู้จักทำใจให้เฉยๆนั่นเราต้องมาฝึกสมาธิกันเพราะการฝึกสมาธิจะทำให้ใจเราเฉยไม่ยินดียินร้ายกับเสียงที่เราได้ยินแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขา ใจเรามันจะยินดียินร้ายกับทุกเรื่องกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะเสียงสีก็ยินดียินร้ายกลิ่นก็ยินดียินร้ายรสก็ยินดียินร้ายไปหมดนแต่ถ้าใจเรามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วมันจะเฉยๆรับรู้ได้ใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้แต่มีกิเลสเข้ามาทําให้มีความรักความชังขึ้นมามีความยินดียินร้ายขึ้นมา เราเลยต้องระ ง, งับกิเลสด้วยการทําใจให้สงบพอใจสงบกิเลสความลักชังกลัวหลงมันก็จะสงบตัวลงใจเราก็จะเฉยๆกับสิ่งต่างๆได้คําถามต่อไปจากคุณสุภชัยอัปปนาสมาธิและอุปจารสมาธิมีความแตกต่างกันอย่างไรครับก็อัปปนานคือสมาธิที่นิ่งสงบ จิตไม่ทำงานเลยจิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งจิตเพียงแต่รู้เฉยๆมีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ส่วนอุปจารสามาที่เป็นจิตที่สงบแล้วแต่สงบเดียวๆแล้วก็ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ น, นี่คือจิตที่มีอุปจาราสมาธิเป็นจิตที่จะไปติดต่อกับเทวดาติดต่อกับกายทิพติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆได้นี่คือหรือมีมีมีอภิญญาได้แล้วลึกชาติได้หรืออ่านคุอาลจิตของผู้อื่นได้ผู้อื่นกําลังคิดอะไรอยู่นี่ ก็รู้ทันทีรู้ว่ากำลังคิดอะไรอันนี้เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิเป็นที่เกิดของอภิญญาต่างๆการรลึกชาติการติดต่อกับเทพกายทิพย์ต่างๆการมีความสามารถที่จะอ่านความคิดของผู้อื่นได้อะไรทำนองนี้เรียกว่าอยูอย่ในอุปจารสมาธิ ปยชน์ของอุปจารสมาธิทัดเปรียบกับประโยชน์จากอัปปนานี้ต่างกันประโยชน์จากอุปจารก็มีความสามารถพิเศษเหล่านี้แต่ความสามารถพิเศษเหล่านี้ไม่มีกําลังเที่จะไปสู้กับกิเลสได้แต่ถ้ามีอัปปนาสมาธินี้ ถึงแม้จะไม่มีความสามารถที่จะไปติดต่อกับเทวดานรุสชาติหรือมีความสามารถพิเศษอะไรได้แต่จะมีกําลังที่จะสู้กับกิเลสได้ที่จะหยุดกิเลสได้เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาถ้ามีอัปปนาสมาธินี้จะมีกําลังหยุดมันได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้อย่าไปทางอุปจารสมาธิ ถ้าจิตจะไปให้ดึงกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิอุปจาระนี่ต้องผ่านอัปปนาแต่คนที่ไม่ปฏิบัติจะคิดว่าถึงก่อนอัปปนาแต่ความจริงต้องผ่านอัปปนาก่อนแล้วถึงจะไปอุปจาระแต่พอมันจะไปถ้าเรามีสติเราก็ดึงมันกลับมาได้ถ้าเรารู้ว่าไปทางอุปจาระเรานี้ได้ประโยชน์น้อยกว่า ได้ประโยชน์จากอัปปนาสมาธิก็อยู่ที่ว่าเราต้องการประโยชน์แบบไหนถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการกำจัดกิเลสตัณหาเราก็ต้องใช้อัปปนาสมาธิแต่ถ้าเราอยากจะมีะความรู้พิเศษอยากจะติดต่อกับเทวดาอยากจะละเลิกชาติได้เราก็ไปทางอุปจารสมาธิแต่เราจะไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ เราจะสู้กิเลสไม่ได้เวลามันโผล่ขึ้นมาเวลามันโลภมันโกรธเราจะหยุดมันไม่ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างสมาธิสองแบบด้วยกันคําถามต่อไปจากผู้ฝักถามถ้าเรามาทําบุญแล้วเราอธิษฐานจิตขอให้บุญหรือทานที่เราทํานั้นส่งผลให้จิตของเราหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงอันนี้สองจากการทําบุญหรือทําทานนั้น จะส่งผลให้เรามีสติที่จะลดละกิเลสไปได้ไหมครับไม่ได้หรอกการทำบุญทำทานก็เหมือนกับการทำอะไรต่างๆเช่นการกินข้าวประโยชน์ที่ได้จากการกินข้าวก็อิ่มท้องไม่ใช่กินข้าวอิ่มแล้วขอเป็นนายกด้วยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม อันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังกินข้าวมันมีประโยชน์มีผลของมันกินข้าวก็จะได้อิ่มไม่หิวข้าวแต่จะข อ, อกินข้าวแล้วเป็นนายกด้วยมันเป็นไม่ได้หรอกเช่นเดียวกับการทาบุญทาทานแล้วขอไปนิพพานไปให้มันพ้นทุกข์วังก็ไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้พ้นทุกข์การทาบุญทาทานก็ทาให้สุขใจอิ่มใจสบายใจ แต่ยังไม่พ้นจากความทุกข์ต่างๆความทุกข์ต่างๆยังโผล่ขึ้นมาได้อยู่ถ้าอยากจะพ้นจากความทุกข์กิเลส้ายหมดต้องปฏิบัติหลายอย่างด้วยกันต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอันนั้นแหละถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คำถามต่อไปจากคุณน้องถ้าเรารู้ว่าจะต้องตายในวันนี้เราจะต้องทำอย่างไรให้ดีที่สุดครับ ก็ทำให้ตายก่อนตายให้ได้ยอมตายให้ได้ถ้ายอมตายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมตายมันก็จะสู้มันจะพยายามดิ้นต่อสู้ไม่ยอมตายอยากอยู่มันก็จะทรมานใจความอยากนี้เป็นตัวสร้างความทรมานใจถ้าเรายอมตายปั๊บความอยากต่อสู้มันก็หยุดไปใจก็เย็นสงบตายอย่างสบายได้อาจจะบรรลุธรรมในตอนนั้นก็ได้ อาจจะบรรลุปเป็นสาวดาบนบรรลเป็นพระอาหารหันต์เลยก็ได้คำถามต่อไปจากคุณบอลผมภาวนาไปได้ระยะหนึ่งเหมือนหายใจติดขัดหายใจไม่ค่อยออกอาการนี้ควรแก้ไขอย่างไรครับเวลาภาวนาเลยครับผมถ้าเป็นแต่พียเวลาภาวนาก็อย่าไปแก้ไขมันอย่าไปสนใจ แสดงว่ากิเลสมันออกฤทธิ์เท่านั้นเองถ้าดูหนังฟังเพลงไม่ไม่ดูหนังดูละครไม่มีอาการแบบนี้ก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นนักพิการปิดปกติทางร่างกายมันเป็นเรื่องของจิตใจถ้านั่งภาวนาแล้วเกิดอาการเหล่านี้ อาจจะนั่งเฉยๆไม่มีสมาไม่มีสติก็ได้เวลานั่งสมานั่งสมาธิภาวนานี้ต้องมีสติคอยกํากับใจต้องดูลมหายใจเข้าออกหรือพุโทโธพุโทโธไปถ้าเกิดอาการก็อาจจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เพราะว่าสติเรามีกําลังน้อยมันเลยทําให้กิเลสมันแผลงฤิ์ได้เราก็ ต้องหามาตรการมาแก้ไขเช่นนั่งดูลมแล้วยังมีอาการอยู่ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนหรือว่าฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเพราะจิตมันไม่เคยอยู่เฉยๆพอมันถูกบังคับให้อยู่เฉยๆมันก็เลยแผลงลิออกมาคำถามต่อไปจากคุณหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ทำบุญใส่บาตแต่วันพุธ ได้ขับรถทับนกตายอย่างนี้เราสามารถแผ่ส่วนบุญที่ได้ทำสามวันก่อนให้เขาได้หรือไม่ครับอก็แล้วแต่ว่ามันหมดมันหายไปจากใจเราหรื อ, อยังนะถ้ามันยังอยู่ก็ก็แผ่ได้ถ้ามันหายไปแล้วก็ต้องเติมขึ้นมาใหม่เพราะบุญนี้มันก็ยังเป็นของชั่วคราวอยู่ เหมือนกับอาหารกินไปเมื่อสองวันแล้วจะให้วันนี้อิ่มเหมือนเมื่อสองวันก่อนได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อย่าไปเสียดายเงินเลยไปทำบุญเพิ่มเถอะถ้าอยากจะอุทิศบุญเพื่อความสบายเพื่อความมั่นใจถ้าเสียดายไม่งั้นก็เอาบุญที่เคยทำมาเมื่อยี่สิบปีก่อนมาแผ่ก็งั้นก็ ถ้าอยากจะแผ่บุญวันนี้ก็ไปทำบุญวันนี้เถอะทาบุญวันนี้ดีกว่าอย่าไปดึงบุญเก่ามาเพราะไม่รู้มันอยู่หรือเปล่ามันหายไปหรือเปล่า <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณนุย้ยในชีวิตประจำวันหากเจอคนเอาเปรียบบางครั้งอดทนไม่ได้ก็คิดติเตียนเขาบ่นไปบ้างแต่ เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงอันนี้จะเป็นบาปไหมเจ้าคะ่ะไม่เข้าใจลองถามหน่อยนะครับในชีวิตประจําวันเจอคนเอาเปรียบบางครั้งอดทนไม่ได้เลยคิดติเตียนเขาบ่นไปบ้างแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงจะเป็นบาปไหมเจ้าคะ่ะไม่บาปหรอกมันจะทำให้เราไม่สบายใจแล้วก็มันทำให้เราไม่ยอมรับความจริงความจริงเราควรจะขอบใจเขาเสียด้วยซ้าไป เขาเขาเำในติเตียนในเรื่องที่มันถูกมันเป็นความจริงก็แสดงว่าเขาเป็นเหมือนกระจกสองหน้าเราเวลาเราแต่งเนื้อแต่งตัวเราต้องดูกระจกแล้วเป่ดูใช่ไหมเผื่อทาคิวยาวเกินไปผิดเฉกเกินไปอะไรทำนองนี้ต้องมีกระจกดูกระจกมันบอกเฮ้ย hey, ไม่ถูกไม่ถูกทาไม่ถูก ต้องแก้อย่างนี้กระจกเขาก็มีหน้าที่บอกความจริงให้เราคนที่บอกความจริงให้กับเราก็เหมือนกระจกท่านบอกว่าเป็นเหมือนคนชี้ขุมทรัพย์ให้เราผู้ที่ชี้ข้อบกพร่อ ง, องของเรานี้เป็นการชี้ขุมทรัพย์เพราะว่าเมื่อมันบกพร่องเราจะได้แก้ไขเมื่อแก้ไขแล้วมันก็จะไม่มีข้อบกพร่องมันก็จะทาให้เราได้ ประโยชน์ไม่เสียประโยชน์ถ้าเราทำในสิ่งที่บกพร่องไม่ดีเราจะไม่ได้ประโยชน์เราจะเสียประโยชน์อย่างนั้นเวลาใครเขาตาหนิตีเตียนในความในสิ่งที่เป็นจริงนี้เราต้องขอบใจเขาสาธุเขาว่าเขาเป็นเหมือนกระจกเพราะเรามักจะมองไม่เห็นความผิดของเราปกติท่านว่า คนเราเวลามองความผิดความถูก ข, ของเรากับของคนอื่นนี้จะต่างกันความผิดของเรานี้แม้จะกองเท่าภูเขาก็เหมือนผงทุลี Familie. ความผิดของเรานี้แม้จะเป็นแค่แม้จะกองเท่าภูเขาก็เป็นผงทุลีความผิดของคนอื่นแม้จะเป็นผงทุลีก็จะเป็นเหมือนกองภูเขาความดีของเราแม้จะเป็นเพียงผงทุลีก็คิดว่าเป็นกองภูเขา ค ว, ความดีของคนอื่นแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เหมือนแค่เห็นว่าเป็นเหมือนผงทุลี น, น, นี่คือความเราจึงต้องอาศัยกระจกที่จะได้ให้เราเห็นภาพที่ที่แท้จริงต้องหาคนที่เขาไม่กลัวเราคนที่กล้าจะพูดความจริงกับเราคําถามต่อไปจากคุณฟูถ้าเราทําสมาธิภาวนาถึงจุดไหนถึงถึงจะสามารถ แผ่บุญให้กับผู้อื่นได้ครับมันยากถ้าอยากจะแผ่บุญก็ไปทำบุญดีกว่าง่ายกว่าถ้าอยากจะแผ่บุญอย่าไปเสียดายเงินเอาเงินไปทำบุญแล้วแผ่ได้ทันทีแต่จะมานั่งสมาธิชตานี้อาจจะไม่ได้ผลก็ได้ดจิตจะรวมนี้มันไม่ใช่ของง่ายแม้แต่พระเองที่มาบวชนี้บางทียังรวมไม่ได้เลย แล้วเป็นผู้ของเรือนจะไม่มีเวลาเหมือนพระจะมาฝึกสมาธิให้มันรวมนี้อาจจะไม่มีก็มันเป็นไปได้มีก็อาจจะน้อยมีก็ไม่ได้มีไว้เพื่อมาแผ่บุญมีไว้เพื่อมาบรรลุธรรมมากกว่ามากำจัดกิเลสมาทำให้ตนเองพ้นทุกข์มากกว่างั้นเวลาอยากจะแผ่บุญนี้ไปทำบุญเถิดง่ายมีเงินสิบบาทยี่สิบบาทก็แผ่ได้แล้ว คำถามต่อไปจากคุณสุบินลูกตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าในพรรษานี้จะเลิกเล่นหวยตลอดสามเดือนและถือศีลแปดในวันพระแต่ชอบแพ้กิเลสกราบขอคำแนะนำและกำลังใจให้ชนะต่อกิเลสได้ตลอดเจ้าค่ะ เ, ออเวลาจะตั้งใจทำอะไรมันต้องมีบทลงโทษเผื่อถ้าทำไม่ได้จะต้องถูกปรับหรืออะไร ถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วพอถึงเวลาไม่ทำแล้วไม่มีการลงโทษมันก็จะไม่ทำไงแต่ถ้าต้องถูกปรับอย่างเงี้เห็นไหมว่าตั้งใจจะไม่เล่นหวยอย่างงี้พอถึงเวลาไปเล่นอย่างงี้ก็ต้องปรับห้าร้อยหรือพันหนึ่งเอาเงินห้าร้อยพันหนึ่งไปใส่บาตรไปทำบุญ มันต้องมีมาตรการลงโทษแล้วมันจะทำให้เราไม่กล้าผิดสัญญาไม่กล้าผิดความตั้งใจแต่ถ้าไม่มีการลงโทษยังก็ทำสัญญากันทําไมสัญญาเนี่มีลงมีบทลงโทษกันใช่ไหเนี่ยทางด่วนนี้รู้สึกว่าจ ะ, จ ะ, จะบหมดกันเป็นหลายแสนล้านเนี่ยก็เพราะว่าทำผิดสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีกําลังใจในการที่จะรักษา